อยาพูดธรรมะก่อน๋ยวาฝนจะมาไล่อีกเป็นไงพระใหม่เราพระเก่าด้วยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคอวัดเคล่งครัดตามระเบียบที่เจ้าของจัดให้กับตัวเองหรือเปล่าทำวัดเช้าอย่าให้ขาดทำวัดเย็นอย่าให้ขาด อยู่ที่กุฏิเจ้าของสมุดไม่ออกมาอดข้าวไม่ออกมาเนี่ยตอนเย็นก็ทําวัดเย็นเอาสักกี่ทุ่มก็ทําตอนเช้าก็ให้ทําวัดเช้าเอาสักกี่ทุ่มก็ทำํำตีเทเล่ก็ให้ทําหลังจากทําวัดเสร็จแล้วให้กรวดน้าอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว มีบิดามารดาปุย่าตายายท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านไม่ว่าใครแล้วแต่เราจะระลึกได้อย่าประมาทนะถ้าทิ้งตรงนี้แล้วไม่มีหลักนะอยู่แบบลอยๆไปวันๆนะสะหน่อยหนึ่งมาโลเลโลเลอยู่แถวๆไอ้โรงน้านําป่านะเนี่ยถ้าเราทิ้งตรงนี้นี่เราโลเลไปวันๆเท่านั้นนะเราจะไม่ได้อะไรนะอันนี้เป็นหลัก เราจะนั่งภาวนานั่งนานเท่าไหร่ะเ ว, เวลาสมควรจะแผ่เมตตาแล้วก็แผ่เมตตาก่อนนอนก็แผ่เมตตาเข้าไปแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญเข้าไปตื่นเช้าทําวัดเช้าเสียก็แผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญเข้าไป อย่าลืมนะอย่าลืมตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อวัดติดตัวนะเป็นข้อวัดส่วนตัว ข, ออขอ้ขอข้อธรรมก็ให้ดูให้หนังสือที่ยังไม่ได้ก็ให้ท่องโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสามเดือนต้องได้ทำทวัดเช้าทำวัดเย็นเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะให้ว่ายฟังทำทวัดเช้าทำวัดเย็นเหมือนบางคนนี่ตอนออกพรรษาแล้วศึกเราก็ถามวัดทำทวัดเช้าได้ไหม ถามว่าเรียนได้ไหมบอกว่ายังไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาออกไปแล้วเขาท่องได้เมื่อไหร่เขาจะมาไหว้ฟัง <c oughs> เอาแบบนั่นเลยนะออกไปแล้วมันแทบไม่ได้คิดถึงวัดเลยแหละออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยแทบไม่ได้คิดถึงวัดเลยเราตั้งใจทำอะไรได้เราตั้งใจทำตอนนี้เพราะเรามีเวลาเต็มที่เวลาเป็นของเราทั้งหมด ไม่มีอะไรแบ่งสรรปันส่วนไปอย่างอื่นเราจะประกอบความภาคความเพียรจะเดินจะตั้งใจเดินจงกลมให้เด็ดให้เหนื่อยก็ตามอืมแล้วก็ไปนั่งภาวนานั่งภ า, ภาวนาจนเหน็ดเหนื่อยอุทิศส่วนบุญไปอุทิศส่วนบุญนี่อย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญนี่อย่าลืมถ้าลืมถ้าลืมเน่ยถ้าลืมแล้วเนี่ยแสดง ว, ว่าไม่มีหลักแล้ว เราทิ้งหลักและผู้ที่ต้องการรับส่วนบุญจากเราก็มีผู้ที่ล่วงรับไปก็มีผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เราอุทิศให้ได้เลยบุญทั้งหมดนี้ให้เป็นพระวัิพระวะปัจัยช่วยบิดาช่วยมารดาปูยา่ย่าตายายท่านผู้มีุประการะคุณทุกท่านที่ล่วงรับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ขอให้ท่านได้มีกำลังวังชามีอนามัยสมบูรณ์มีความสุขเยือกเย็นทางด้านจิตใจรับทราบด้วยญาณวิถีใดขอให้อัตโมันารับเอาส่วนบุญนี้ด้วยเถิดลูกหลานได้ตั้งใจอุทิศให้แล้วจากบุญบวชไม่ถ้ามันถ้าเราทิ้งตรงนี้เราลืมตัวแล้วลืมตัวแล้วบางคนพ่อล่วงไปแล้วก็มี อุทิศส่วนบุญไปให้ลางคนแม่ลวงไปแล้วก็มีอุทิศส่วนบุญไปให้ปู่ย่าตายายใครที่มีอุปการะคุณกับท่านเรา ม, มองเห็นหน้าหมดอุทิศส่วนบุญไปอันนี้แหละคือปฏิปทาหรือช่องทางของผู้ผู้กตัญญูรู้คุณ ในเมื่อเราสนองคุณท่านอย่างอื่นไม่ได้เราสนองคุณอย่างนี้มันไม่เสียหลักใจของเรานะมันไม่เสียหลักใจของเราเราถือว่าเราประกอบกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราถือว่าเรามีบุญบุญทั้งหมดนั้นเป็นของเราเราก็แผ่เพื่อแผ่อุทิศส่วนบุญไปให้แกบญาติทั้งหลาย คนที่เด่นที่สุดหรือคนที่มีปการลคุณกับท่านเราก็อุทิศส่วนไปแม้แต่เรากราบพระเราก็ระลึกถึงคุณนะนอกจากอุทิศส่วนบุญแล้วเราก็ระลึกถึงคุณอีกตั้งหากอีกอย่าง ก, กราบพระเนี่ยทําไมเราต้องกราบมากม า, มาเยอะแยะเนี่ยกราบพระเนี่ยหลังจากกราบแล้วองค์ที่ยังไม่ได้กราบคนที่ยังไม่ไม่ได้กราบมีทั้งพระมีทั้งโยม ที่เราเระลึกถึงบุญคุณของท่านระลึกถึงบุญคุณของเขาเราทําอย่างนี้ต่างหากมันกลายเป็นหลักจิตหลักใจของเราอย่าทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราทิ้งแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันจะกลับมาเป็นมันจะเป็นกรำร ม, มืดมาทับถมหัวจิตหัวใจของเราทําให้เรามืดบอดรวมไปถึงเจ้าที่ <c oughs> เจ้าทางเจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าอะไรก็แล้วแต่ ที่อยู่รอบข้างตัวเราเราอ็ที่ส่วนบุญไปเขาจะได้รับความสุขได้รับความเริญได้รับความเยือกเย็นเขาจะได้พร้อมใจมารโมทนาสาธุการและด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่กล่อมเราให้จิตของเรานี่อ่อนน้อมแล้วก็ท่อมตนไม่แข็งกระด้างจิตที่แข็งแข็งกระด้างนะเป็นจิตที่ทําให้จิตให้ได้รับความสงบนี่ยากจิตที่แข็งกระด้าง เป็นผู้มีทิฏฐิจัดเนี่ยจิตที่แข็งกระด้างผู้ที่มีทิฐิจัดคือผู้ที่ประจักษ์เหตุผลบางประการผู้ที่มีทิฐิจัดทิฐิมานะจัดไม่ยอมรับฟังเหตุผลของใครบางครั้งแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีเหตุผลอย่างนี้ก็มีเป็นเหตุให้จิตใจแข็งกระด้างจิตใจแข็งกระด้างทําให้จิตใจสงบ ภาวนาให้ใจสงบยากเพราะฉะนั้น ท, ท่านต้องมีบทพิจารณาให้ใจละอ่อนบทพิจารณาให้ใจละอ่อนมีทำวัดมีสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญไปใหจ้จิตใจของเราอ่อนเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจภาวนาบางอย่างเราก็พูดเองอือเองออเองอะไรข้างในมันก็ได้โย สำหรับการอุทิศ ส, ส่วนบุญอขอบอกขอพิงวอน อ, อ้อนวอนอให้ได้ยินได้ฟังให้มารับส่วนบุญแล้วก็บอกไปอุทิศให้กับเทวดากับวิญญาณต่างๆทั้งหลายทั้งปวงด้วยอุทิศให้กับเทวดาเทวดาที่เขายังบกพร่องเรื่องบุญเขาก็ต้องการอยู่อุทิศให้กับเทวดา ยิ่งเรื่อุทิศส่วนบุญนี่อย่าลืมมันเป็นคติของพุทธคติของชาวพุทธเราถือว่าเราทําบุญเราได้บุญทุกวันเนี่ยนะเราเดินจงกรมเราก็ได้บุญการเดินจงกรมนะเราขอแนะนําว่าให้เดินจนเหนื่อยให้เดินจนขาเราอ่อนเนี่ยนะหมดเรีย่ยวหมดแรงอ่อนแล้วไปนั่งเรเพาวนารู้สึกมันสงบไดเร็วเดินจงกรมอย่าไปเดินยกักยักย ก, ย ก, ย ก, ยกแล้วก็ดูแนาฬิกา เดี๋ยวก็เลิกยกเว้นแต่ลมเยกเว้นแต่ฝนมันไล่ฝนมันไล่เดินจนเหนื่อยแต่สลัมมูที่เดินข้างนอกก็ไม่สะดวกอกเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรแต่สลับมูที่มีทางยกลมที่มุงเนี่ยสะดวกเดินสะดวกมากฝนตกก็เดินได้อะไรก็ได้เดินเท่าไหร่ก็ได้นั่งก็เหมือนกันนั่งจนเหน็ดจนเหนื่อยนั่งจนเหน็ดจนเหนื่อยพอมันหมดยกแล้วต่ออีก หมดยกแล้วต่ออีกไม่ใช่หมดยกแล้วก็ลุกขึ้นมันไม่ได้อะไรแหละพอมันรู้สึกหงุดหงิดบางทีเรารู้สึกว่าหงุดหงิดที่เกลียดทนรำคาญพลิกเปลี่ยนจับต่ออีกบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นมันสงบพอมันสงบไปได้ช่วงนะึ่งมันก็ขยับออกมาแล้วขยับให้สงบอีกสงบไปนานเท่าไหร่ไม่ต้องเข้าไปคำหนึงถึงเวลาต่ออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเข้าออกมาแล้วก็ เข้าเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปจับมันให้มันอยู่กับระบบระเบียบนี่แหละที่เราจัดให้เนี่ยถ้าเราไม่ทําวิธีนี้เนี่ยเราจะหลวมตัวให้กับมันง่ายๆเลยตัวกิเลสที่มันตามมาข้างๆตัวเราเนี่ยมันคอยมากระซิบกระซาบสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เชื่อเชื่อมันแลก็ลกแล้วแหละเห็นอันนั้นจะดีเห็นอันนี้จะดีนะคุยคนนั้นดีไปหาคุยกับคนนี้ดีและขอเตือนด้วยพระทั้ง ทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่าเนะี่ยไม่มีความจําเป็นอยาเดินไปคุยตามกุฏิต่างๆมันบรบกวนกันบางทีเจ้าของกุฏิเขาอยากภาวนาเขาเขาก็ไม่ได้ภาวนากลางคืนได้ยินมีมีเสียงคุยกันเสียงลั่นอย่าลืมว่าวัดเราเนะี่ยมันเป็นแองเป็นห้วยนะไปมีเสียงนิดหน่อยมันจะดังก้องไปหมดนะดังก้องไปหมดมันเป็นเหตุลบกวนกันแล้วกันหน้าที่ของเราก็คืออะไร เดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาเราจะมีเวลาไปพูดไปคุยไปอะไรต้องการถามข้อข้องใจเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยเวลาที่ดีที่เหมาะเราลงมาสลาชัน้ําร้อนมีอะไรเราก็คุยกันแล้วก็ถามกันใครมีความข้องใจสงสัยอะไรมากๆก็มาถามเราเนี่ยมาถามเรามาคุยกับเราไปคุยคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็ผิดกันอีกอะ ห น, หนักเข้ากัเอาเรื่องโลกมาคุยกันทับถมกันแล้วก็ผิดกันอีกแล้วก็บางทีก็ชินชากันมากเกินไปลึงกันหยอกกันเล่นกันแต่อย่าลืมว่ากิเลสมันไม่หยอกด้วยมาเก็บเล็กเก็บน้อยอนหะละมาผิดกันแหละเนี่ยอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ผ่านมาหมดประสบมาหมดแั้วแหละที่เอามาบอกมาเตือนเป็นการบอกเตือนหมู่เพื่อนทําไงเราจะรักษาประคับประคองภาวะ ที่เราอยู่จําพรรษานี้ให้เป็นไปอย่างอย่างมีผลมีอนิสงส์อย่าเมื่อวานเนี่ยพระวัดนองยา마เข้ามาเนี่ยวัดลระนองนองยามาเข้าม า, อ, อ, า, ม า, า, มาอาจารย์เพื่นกับภาอธิษฐานอธิษฐานไม่ใส่รองเท้านั่นก็ทําได้ย่อมทําได้เพื่นพาอธิษฐานไม่ใส่รองเท้า แ้วก็เพื่อนอธิษฐานให้อยู่โคนไม้ด้วยให้อธิษฐานอยู่โคนไม้เวลาฝนตกพายุอะยกเว้นต้องเข้าร่มถ้าฝนไม่ตกไม่มีลมพายุไม่มีอะไรก็อยู่โคนไม้ว่างั้นนะแต่เรื่องไม่รับอาหารตามส่งเนี่ยทําทั้งปีแม้แต่นอกภาษาเราไปเนี่เพื่นก็ทําทําทั้งปีไม่รับอาหารที่ตามส่ง นุ่นอยู่วัดใหม่น้องยามาเนี่ยเมื่อวานเราก็คุยเราก็ถามนี่อาจารย์เพื่อนไม่มาอาจารย์เพื่อนไม่ค่อยสบายอาจารย์เพื่อนก็ชอบอดข้าวเหมือนกันเรานี่แหละมาชันสองสามวันก็รู้สึกไม่สบายแล้วอันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเพราะว่าออกมาชันติดกันหลายๆวันว่างั้นนะเลยไม่ได้มา มีนิสัยจริงๆอยู่อยู่เบาสะดวกสบายแต่ถึงคราวมันจะตายมันก็จะตายเหมือนกันแต่มันก็ไม่เข็ดถึงคราวที่มันหมดเรีย่ยวหมดแรงเหงื่อแตกไหลเยอะซ่าซ่าซมือตีเนี่ยไม่มีแรงอ่ะเดินแค่ขึ้นก็ตีนี่ก็ยังเดินขึ้นยากก็ยังไม่เข็ดอะ่ะช่างมันสิบนาทียี่สิบนาทีผ่านไปครับก็แล้วก็แล้วไปดู เอาถือเป็นเรื่องถือเป็นอารมณ์เอามาดูเอามาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของอัตภาพร่างกายบทท่องที่เราท่องยังไม่ได้ให้ท่องกันนะหรือใครจะตั้งใจท่องปฏิโมกท่องปฏิโมกเนี่ยเรายังไม่ได้ปฏิโมกให้ตั้งใจท่องปฏิโมกก็ได้มีบุญมากมีอา น, นิสงส์มาก ท่องแล้วก็ได้สวดให้กับสงฟังสําเร็จเป็นสงเป็นผู้ทํางานเป็นการเป็นคณะได้สําเร็จลุล่วงอย่างหนึ่งก็คือสวดปฏิโมกข์นี่แหละในขณะที่สวดต้องตั้งใจมากการตั้งใจในการสวดนี้จะทําให้เราเพิ่มสมาธิจะทําให้เราเพิ่มปัญญาจะทําให้เราเพิ่มความรอบคอบและที่สําคัญก็ทําให้เรา เพิ่มความอุตสาห์พยายามาเพราะว่าถ้าไม่มีความพยายามอุตสาห์พยายามจริงๆ จ, จะท่องไม่ได้สวดท่องอยู่แต่ท่องไม่ได้สวดเพราะมันยาวเป็นเล่มๆแต่ตั้งใจท่องไม่เหลือบา ก, กว่าแรงแม้แต่เราเนี่ความจำของเราเนี่โคโรโกโสมากเราสามารถท่องจำได้สวดสวดถายลงตาทําไม่รู้ตั้งกี่ครั้งตงกี่ครั้งอยู่มันตั สุปฏิโมกให้ตั้งใจท่องให้ได้สวดอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะและก็ขอเตือนอีกอย่างก็คือเวลาทำข้อวัดอย่าคุยกันปัตาจก็ตามล้างบาทก็ตามไม่ควรคุยกันห้ามคุยกันต่างคนต่างสำรวมเระมันระวังไปอยากให้คุยกันเวลามีเห็นว่าเป็นขราวจาเป็นจริง แล้วคุยกันให้เป็นกิจจาลักษณะคุยไม่หยอกไม่ลอ้อไม่เล่นไม่สนุกไม่เล่นสนุกอะไรไปอย่างอื่นตั้งตัวเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกคนต่างคนต่างเคารพกันต่างคนต่างยำเกรงซึ่งกันและกันแล้วก็ดูดูงามตาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูงามตาเย็นหูเย็นตา จากนั้นก็ประกอบด้วยขวัตปฏิบัติไม่ลดย่อนผ่นผันให้กับกิเลสตัณหาความขี้เกียจขี้คล้านของตัวเองนะั่นะมันก็เป็นเหตุให้ได้ไดบุญเป็นเหตุให้เจริญบุญเป็นเหตุให้ผู้ที่เขาตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เราได้เรียนได้บวชได้บุญได้กุศลได้บุญมาก อีกอย่างก็คือเพื่อใช้หนี้ต่างหากเพราะว่าวันคืนลงไปวันคืนลงไปถ้าเราไม่มีคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้ทดแทนเนี่ยเราเป็นหนี้นะแบกวันวันต่อวันแบกแบกวันต่อวันแบกวันต่อวันนักหน้เข้าหนี้ตัวนี้มาทับเราหนักเต็บคิดอะไรไม่ออกเน่ะมืดเึ็มไปหมดแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ตั้งใจประกอบคุณงามความดี แท้จริงเป็นอย่างนั้นนะไ ม, มไม่ใช่พูดข่มไม่ใช่พูดขู่ลองปล่อยตัวกรรคอสมัน ม, มีแต่จะมีแต่จะหลุดออกไปนั่นแหละมีแต่จะตกต่าไปจากนี้เท่านั้นแหละมันไม่มีที่จะดีขึ้นเราต้องอยู่ในระบบในระเบียบจริงๆเคร่งครัดอยู่ในท่าทีของเราไม่จำเป็นจะต้องไปอวดอวดอ้างกับใครต้องใจท่อง ต้องการท่องก็ตั้งใจท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่อมันได้วันนี้ตั้งใจเอาตั้งใจจะเอาสักสองแถวให้มันได้สองแถวนี่มันกล้วยเดินจากนี้ไปถึงกุฏิก็มันก็ได้แล้วหรือสมอย่างปฏิโมกเนี่ยตั้งใจวันนี้ตั้งใจได้สักใบหนึ่งเออย่างนี้ค่อยอย่างชั่วมันนี้ไม่กี่ใบดอกไปนับดูบีมีไม่กี่ใบเราเนี่ยตอนเราท่องเนี่ยเราเอาหน้าละชั่วโมงเลยนะ ปฏิโมกข์เลยเป็นเป็นบุกเบิกบุกเบิกนี่เอาหน้าละชั่วโมงเลยตั้งให้มันเลยมัดให้มันเลยหน้าละชั่วโมงพอเราตั้งให้มันเนี่ยมันก็มันก็แบ่งไปโดยอัตโนมัติเข้ามันอ๋อครึ่งหนึ่งครึ่งชัง่วโมงครึ่งบนครึ่งชัง่วโมงครึ่งล่างครึ่งชัง่วโมงแล้วเราไปดูครึ่งบนก็ไม่กี่แถวเองเราไปดูครึ่งล่างก็ไม่กี่แถวเองนะ ถ้าเราทรําอย่างนี้ได้อันนี้หมายทั้งว่าเป็นชุดเป็นเป็นบุกเบิกมาคือระบบเบิกพอหลังจากระบบเบิกเสร็จแล้วเราก็ทวนไปทวนไปเราเอาคติอันนี้ไปท่องอย่างอื่นก็น่าจะได้เช่นเดียวกันทอย่างทําวัดเชา้ามีไม่กี่ใบทําวัดเย็นมีไม่กี่ใบเราไปตั้งใจดูท่องนี้ตั้งใจตั้งสัจอยากเอาไว้ท่องมันไม่นานเลยแต่ถ้าเราไม่ตั้งเอเอาไว้ กิเลสเอาไปกินหมดเ ก, ก, ก, กียรขีคลานนั่นแนะ่ะกิเลสนั่นนะอืมกิเลสเอาไปกินหมดเอาเวลาไปกินหมดแล้วมานั่งสรุปตอนค่ำเนี่ยมานั่งประเมินผลดูตอเปล่าไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นมันน่าเสียดายเวลาชีวิตของคนนั้นเป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองชีวิตคนนะ เราคิดว่าเราเกิดมาควรจะเป็นอะไรควรจะทําให้ตัวเองด้อยค่าลงไปหรือเราควรจะเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองชีวิตเราชีวิตท่านเราเกิดมาชีวิตหนึง่งได้อัตภาพมาเราจะต้องเสริมสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองอย่างเดียวการเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมันก็ไม่มีอะไรเกินการฝึกฝนอบรมตนเองให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในขอบให้อยู่ในเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะนี้ในวาระนี้อยู่ในกรอบอบอุ่นมากอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นการอบอุ่นมากเพราะแบบอย่างข้อปฏิบัติต่างๆที่พระองค์ทรงวางเอาไวเ้เป็นหนทางที่เที่ยงตรงสู่คุณงามความดีอย่างแท้จริงไม่มีบิดเบือนไปอย่างอื่น ม, มีบิดเบี้ยวไปอย่างอื่นแหละขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำ ถ้าเราตั้งอกตั้งใจทานะมีแต่เช่ตรงทางตรงเหตุตรงผลตรงต่อความสุขความเจริญในจิตของในใจของเราอย่างแท้จริงเราแทบจะพูดได้ว่าอันนี้แหละเป็นวิธีการเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในอัตภาพนี้อย่างแท้จริงอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องทำไปอยู่ไปกินไปในโลก วิชาการต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเราก็อยู่ไปฝึกฝนอบรมไปแล้วดูให้ทะลุดูให้ออกวิชานั้นเพื่อนั้นวิชานั้นเพื่อนั้นวิชานั้นเพื่อนั้นวิชาไหนที่จะทําให้เราท่องเที่ยวไปในวัตฏสงสารอย่างคล่องตัวเหมือนอย่างวิชาของธรรมของวินัยไม่มีอันนี้พอเราเริ่มปุ๊บคําใดประโยคประโยคใดบาทใดบทใดมีแตเรื่องมากํากับกิริยากายกิริยาวาิจารของเราทั้งนั้น แม้แต่เรื่องศีลแค่ศีลห้าเราดูที่ปานาธินากาเมมุสสาสุร า, ากํากับกายมากํากับวาจาของเราปั๊บทันทีเลยวิชาการอย่างอื่นบางทีเราเรียนหมดทั้งหมดเป็นปึงป้งๆแหละอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเลยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่รู้อยากเอาอะไรมาฝึกหัดดัดแปลงตัวเราบ้างทรงไว้เพื่อความรู้เพื่อใช้สอยเพื่อประโยชน์ในการครองชีพในการมีชีวิตอยู่ เพื่อจะได้นั่นเพื่อจะได้นี้เพื่อจะได้อะไรไปตามค่าของโลกไปแต่ค่าที่ว่านี่เป็นค่าของธรรมเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ท่านถือว่าเหยียบแผ่นดินถูกเหยียบแผ่นดินถูกเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเหยียบแผ่นดินถูกคือคือเราอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัตเนี่แหละร่มผ้ากาสาวพัดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะนี่แหละถือว่าเป็นการเหยียบแผ่นดินถูกถูก มันถูกสัมมาทิฏฐิมันเป็นเหตุดึงมาชักมาลากมาเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิจากพื้นพื้นหยา บ, ยาบธรรมดาจนละเอียดลึกเข้าไปละเอียดลึกเข้าไปละเอียดลึกเข้าไปจนถึงการต่อต้านเป็นการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจวิธีวิธีการนี้นี่เป็นการหันมาสู่วิธีการเสริมสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริง เราดูให้สุลุ ด, ดิอย่างอื่นมีอะไรบ้า ง, อ ย, าง อ, นนนนอย่างนั่นก็เป็นนั่นอย่างนั้นก็เป็นเป็นนั่นกั น, นและอันนี้เป็นอะไรมากํากับกายกํากับวยจาร์กากับใจของเราทั้งหมดถ้าใครตั้งอกตั้งใจสร้างสมอบรมตัวเองได้แม้แต่คนที่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาก็กลับเป็นคนดีได้คนที่เคยโกรโกโซทำกรรมหนักมาสร้างกรรมหนักมาเช่นอย่างพระองคุลีมานก็สามารถไปนิพพานได้ อย่างนายขุนโจรคราวแดง เ, เคยเล่าฟังเป็นเพชฌฆาตของพระเจ้าประเสิทธิ์โกศมาตลอดอตลอดอา ย, ยุสามารถฟังธรรมบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้อ้าบรรลุปเป็นพระสวสดาบันได้ฆ่าคนมาตลอดชีวิต เ, เป็นเพชฌฆาตประวัติของคุณโจรขาวแดง เ, เป็นคนมีลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นเป็นคนที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่น ไปสมัครเป็นลูกน้องโจรโจรไม่รับไปสมัครหัวหน้าโจรอะหัวหน้าโจรไม่รับโอลูกน้องคนนี้รับไม่ได้รับแล้วรับแล้วดูลักษณะมันหนมันจะเล่นงานแม้กระทั่งเราได้เนี่ยดูลักษณะมันน่ากลัวดูลักษณะแปลกๆทีนี้นายคนนี้ก็ไม่ไม่ยอมลดลดละความพยายามคือพยายามไปเกี่ยวกับคนนั้นเกี่ยวกับคนนี้ตะล่อมกับคนนั้นตะล่อมกับคนนี้ พยายามเข้ากับโมกับพวกกับอะไรได้ในที่สุดหโมนาเลยจําเป็นจําใจต้องได้รับเป็นลูกน้องที่ไปหาปล้นหาขโมยฆ่าทั้งฆ่าทั้งอะไรต่ออะไรกินอาชีพขโมอยอะต่อมาพระเจ้าแผ่นดินจับได้จับได้ทั้งหมดเลยจับได้ทั้งกระบีท่ทั้งหมดทั้งห้าร้อยเนี่ยแล้วก็มีคนนี้เลอคนหนึ่งอยู่ด้วยเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินท่านก็มีมี มีความคิดว่าจะให้โจรฆ่ากันเองนะก็เลยเลือกในหมู่โจรห้าร้อยนี่เลือกใครคนหนึ่งมาเป็นเพชฌฆาตเทียร์แรกไปเลือกหัวหน้าถ้าหัวหน้ารับก็หมายความหัวหน้าเนี่ยจะต้องฆ่าลูกน้องเองทั้งหมดด้วยฝีมือของตัวเองหัวหน้าไม่เอารองลงมาก็าไม่เอาไม่มีใครเอาไปจนถึงนายคนนี้อ่ะนายคนนี้เอานายคนนี้เอา เอาก็หมาไวเพราะว่ายอมฆ่าหมูทั้งหมดนั่นแหละหมูที่เป็นโจรด้วยกันที่พระเจ้าเป็นดินจับได้เนี่ฆ่าหมูทั้งหมดนั่นแหละหลังจากนั้นมาแล้วก็พระเจ้าประสิทธินาที่ก็สนก็เลยเลือกให้เป็นเพชฌฆาตประจำสำนักนั่นแหละเขาก็เลยดัได้ทํางานมาตลอดได้ทํางานนั้นมาตลอดความนึกคิดของคนที่ฆ่าคนเนี่ยมันก็คิดมุ่นหมกมุ่ น, นถึงแคเรื่องการฆ่าคนนั่นแหละ ถ้าเราจะดูไปแล้วก็คือมันโหดเหี้ยมมันทารุณในใจของคนทั่วๆไปแต่คนที่ใจแข็งมีความนึกความคิดบางอย่างเพื่อที่จะล่อจิตของตัวเองให้ทำงานอย่างนั้นได้ถึงกระนั้ก็ตามเวลาเขากษเสียนอายุไปแล้วเนี่ยพระสารีบุตรท่านสามารถสามารถเอานายคนนี้มาสอนสอนจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านถามว่าตลอดชีพที่เราฆ่าคนมาเนี่ยเราฆ่าใครเราฆ่าใครเราฆ่าโจรคน น, น, น, น, น, น, นั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นแม้แต่หมู่โจรที่เขาฆ่าเองซึ่งเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อนเป็นเป็นหัวหน้าของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาทําตามคำสั่งคำสั่งของพระราชาทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งกลุ่มของเขานี่ะก็ถือว่าเขาฆ่าไปเจ้าไอ ภาษาลิบบุตรท่านถามให้เกิดให้คุนโจรเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขาฆ่าตามคําสั่งของพระราชาในเมื่อเขาเข้าใจอย่างนั้นกันในเมื่อเขาเข้าใจอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาไม่ได้เจตนาฆ่าฆ่าตามฆ่าคนที่ผิดกฎหมายผิดอาญาที่พระราชาสั่งให้ทําหลังจากหมดโจรชุดนั้นแล้วก็ยังมาเป็นเพจฆ่าอีกฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่ จนหมดแรงว่างั้นเถอะฟันคอคนไม่ขาดเขาก็เลยปลดออกเพราะปลดออกมาเนี่ยไปพบพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านพยายามกล่อมเคลียกล่อมพูดตล่อมอเพื่อปรับทิฏฐิถึงแม้ว่าจะมีทิฏฐิแข็งกร้าวถึงขนาดนั้นนะพระสารีบุตรท่านสามารถป ร, ปรับได้ปรับได้ปรับได้เกิดความรู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ได้มีเกียรตนาที่จะฆ่าใครเลยทําไปตามอาญาทําไปตามโทษท้องคนมีโทษ พอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไอ้ความอุปาทานที่เคยยึดเป็นประจํามันก็ปล่อยมันก็วางทั้งการอุบายวิธีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องหลักของอริยสัจสี่ได้เป็นพระโสดาบันไดนี่เขาเรียกประพัติของคุณโจรขาวแดงใครๆลองไปหาเลือกอ่านดูมีอยู่ในธรรมบดี น, นี้ก็คือเรื่อง ค, อคือคือเรื่องของการปรับทิฏฐิเราสามารถปรับได้เปลี่ยนได้คนชั่วขนาดนั้นคนเลวขนาดนั้น อะไรมันจะเร็วเท่ากับการฆ่าคนคิดใจโหดเที่ยมทารุณถึงฆ่าได้ไม่งั้นฆ่าไม่ได้ไม่ใช่ฆ่าโดยความจำเป็นจำใจไม่ใช่ฆ่าโดยความป้องกันเนื้อป้องกันตัวฆ่าโดยเจตนาทิฏฐิขนาดนั้นธรรมะวินัยสามารถดัดแปลงได้ให้ได้มรกได้ผลได้เราเทียบดู พวกเราเอามาเทียบเป็นข้อคิดแล้วเราก็มานึกถึงเราว่าเราเคยอย่างนั้นเคยอย่างนี้มาอมืถึงแม้วเราจะไม่เคยทําการทารุณโหดร้ายถึงขนาด น, นั้นก็ตามอืเราก็จะมาฝึกหัดดัดแปลงเราให้เป็นไปตามพระธรรมให้เป็นไปตามพระวินัยนี่แหละอืม เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอย่างแท้จริงนี่เราพูดถึงขอวัดปัดกว่าเช็ดถูอะไรก็ตามเราไม่ควรคุยกันจาเป็นอะไรเราคุยกันเราบอกกันบอกบอกไม่กี่คำก็ก็ได้แต่ถ้าคุยกันจับคู่กันคุยกันแล้วคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเรื่องต่างๆเล้านี้ถ้าเราฝืนเราเราทำลายตัวเราเอง ผมนี่เหมือนกระจกเงาเท่านั้นแหละพอที่จะสะท้อนบ้างให้พวกเราเห็นหน้าพอได้อ่าพอได้รูปหน้าพอได้ดูหน้าดูอะไรตัวเองบ้างพยายามพูดนูนพูดนี้ที่เกิดภาพสะท้อนเพื่อให้เราได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีแต่พูดที่จะเอาไปปรับปรุงก็คือตัวเราเองเราต้องบอกตัวเราเองเราต้องเตือนตัวเราเองเราต้อง บังคับตัวเราเองสอนตัวเราเองเตือนตัวเราเองปรับปรุงด้วยตัวของตัวเราเองหมู่เพื่อนทุกคนก็ถือว่าเป็นภาพเป็นเป็นเหตุให้สะท้อนให้เราเห็นเห็นเราเห็นเราได้เหมือนกันให้เราเคารพกันให้เรายำเกรงกันผู้มีอายุมากผู้มีปัญษามากกว่า เคารู้จักเคารพยำเกรงผู้มีอายุน้อยพรษาน้อยผู้มีอายุน้อยพรษาน้อยเครู้จักเคารพยำเกรงผู้มีอายุมากพรรษามากการเคารพยำเกรงในที่นี้มันไม่มันมันไม่เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ไปไหว้ผู้น้อยมันไม่ใช่แบบนั้นการเคารพยำเกรงในใจเนี่ยเราเคารพยำเครงได้แม้แต่เป็นผู้ใหญ่เห็นผู้น้อย หน้าเคารพหน้ายำเกรงก็เคารพได้ยำเกรงได้ไม่ใช่ไปอวดอ้างวัดเจ้ของเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ร่ำไปที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีเหตุผลนั่นแหละถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่รู้จักดูไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จกฟังแล้วก็เป็นเหตุให้ขัดข้องหมองใจกันเท่านั้นแหละต้องมีเหตุผลขอวัดที่เป็นส่วนรวมก็สามัคคีพร้อมเพรียงกัน ถ้าเราไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันเนี่ยมันมองกันมันเพ่งกันการมองกันการเพ่งกันเพราะขาดความสมัคคีมั um feet, นก yes. okay. ็ไม่เป็นผาสุขท่านจิงว่าความสมัคคีให้เกิดสุขความสมัคคีของหมู่ให้เกิดสุขสุขฆ่าสร้างคะสะสมัคคีความสมัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขเราทํานุนถันคนนั้นก็ได้นะคนนี้ก็ได้นี้คนนั้นก็ทำนัคนนี้ก็ทํานี้ต่างคนต่างทํา มีธุระที่จะต้องช่วยกันทำก็ช่วยกันทำพอเสร็จธุระก็ะพากันเลิกเลิกแล้วหน้าที่ใครหน้าที่เราไม่มีอะไรจาเป็นไม่มีอะไรจาเป็นก็ลกลับกติเราไปเดินอยูนกรมเป็นั่งภาวนาะไปหาประโยชน์ส่วนตนนอกจากเรามีธุระประปังอะไรจะคอยพบใครอะไรเราถึงจะคอยคอยพบมีธุระอะไรจาเป็นไม่ใช่ว่ายืนคอยรอโอกาส อย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายต้องให้เรามาระวังรักษาข้อวัดปฏิบัติให้ดีว่าเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอย่างแท้จริงโดยเฉพาะพระวินัยก็ต้องดูนะในยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเอามาดูเอามาดูอ่านพันผ่านผ่นผ่นผ่า น, น, น, น, นตรงไหนจําเป็นก็ดูให้ให้ให้เข้าใจเอามาเป็นข้อปฏิบัติ เพราะเราไม่ได้มามีห้องแล้วก็ยืนพูดยืนสอนหน้าห้องเราไม่มีแล้วก็จะสอบเข้าสอบเราก็เราก็ไม่ได้บอกให้ส่งชื่อเข้าสอบมา่อเช้านี่เขาก็มาหาชื่อพระสอบนั่นแหละเราก็ไปโอ้ยไม่ได้ไปเรียนไปอะไรที่ไหนไม่รจะเอาอะไรไปสอบทุกปีเราก็ไม่เคยให้ไปสอบมันไม่ได้ไปเรียนไปเรียนไปอะไรที่ไหนสอนนักธรรม มือเช้าเขาก็มาถามหาครับก็ไม่จดรายชื่อทั้งหมดนั่นแหละเขาต้องการเขาต้องการสํารวจพระในภรษาด้วยมีเท่านั้นท่านั้น ท, น, น, ทนั้นเท่าั้เขาไปสํารวจรวจัดนั้นสํารวจวัดนี้เลขานเจ้านอาเภอมือเช้าในเมื่อเราไม่ได้มีการบอกกันสอนกันหน้าห้องเราก็เอาหนังสือไปดูทํางไงเราจะได้วิชาความรู้ต่งตางๆเราเนี่ยมาช่วยตัวเราเอง ช่วยช่วยตัวเราเองเพื่อความถูกต้องเพื่อความดีงามเพื่อความทำให้ความเป็นสมณะของเราเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่ม <ừ. S 1> ียามารยาทก็ต้องระมรัดระวงังเคยพูดเคยคุยเคยหยอกเคยลอ้อเคยเล่นเคยอะไรก็ก็ให้คำหนึ่งถึงความเป็นสมณะเนี่แหละคำหนึ่งถึงความเป็นสมณะมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกยับยัง รู้จักยับยั้งชั่งใจกิริยาแข็งกระด้างเราก็พยายามปรับให้เหมาะสมกับความเป็นสมณ ะ, ะกิริยาพูดไม่ค่อยจะนาฟังนะักก็พยายามปรับให้พูดให้น่าฟังให้มันเหมาะสมกับความเป็นสมณะฉันใช้คำว่าสมณะสารูปสมณะสารูปเหมาะสมกับความเป็นสมณะ กิยาการเดินกิรจการพูดกิริยาที่เราเห็นก็มีสองอย่างนี่แหละกิจกาแสดงออกทางกายกิจกาแสดงออกทางวาจากิจกาแสดงออกทางวาจาก็ย้า้มันเสียดมันแทงสแสลงหูสแสลงใจของผู้ได้พบได้เห็นได้ยินกิริยาทางกายก็ย้าให้มันแข็งกระด้างสแสลงตาสแสลงใจของผู้ได้พบได้เห็น ต้องปรับซะหน่อยปรับปรุงแก้ไขถ้าเราถ้าเราไม่ปรับอยู่ยังไงแข็งกระด้งางยังไงก็อยู่อย่างงั้นแข็งกระด้งางยังไงก็อยู่อย่างงั้นรวมไปถึงความปรับใจด้วยออย่างที่กล่าว้งเมื่อก่อนข้างต้นนั่นแหละว่าจิตใจที่แข็งกระด้างไปโดยทิฏฐิมานะเยเป็นจิตใจที่ทําให้สงบได้ยากทําให้สงบได้ยากเพราะอะไรมันมันแข็งกระด้างเราดูไปที่จิตใจ เวลามันจะได้รับความสงบมันจะอ่อนมันจะนิ่มมันจะนิ่มนวลกับอารมณ์มันจะเกาะกันดีกับอารมณ์แต่ช่วงไหนแข็งก็ด้างก็ด้างเนี่ยเอาอะไรก็ไม่อยู่มันสลัดออกหมดมันสลัดทิ้งหมดท่านพยายามทำใจใอ่อนน้อมท่านยิงให้แผ่เมตตาท่านสวดกล่อมเราให้ใจมันอ่อนแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญ ให้ใจมันอ่อนอ่อนน้อมจากนั้นก็ระลึกถึงคุณเมตตาพรหมวิหารรลึกถึงคุณผููมีปภการะคุณคุณนั้นคุณนี้คุณพ่อคุณแม่คุณญาติพี่น้องตลอดไปจนจนคุณที่เขาใส่บาตรให้เราทุกวันทุกวันใส่บาตรให้เราฉันทุกวันเราเห็นนะ เราไปเราเห็นเราเห็นทันทีอ่ะเราเห็นรวดเราไปบินธบาตเขาจะนั่งจบใส่หัวนั่นออกข้าว น, นยกใส่หัวอธิษฐานโอ้ถ้าเรามองตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นเหตุตื่นเนื้อเปลี่ยนตัวเลยนะเขาอธิษฐานหวังบุญนั่นนะ่ะหวังบุญหวังกุศลอธิษฐานหวังบุญหวังกุศลก่อนจะใส่เราก็อธิษฐานในนั้นจากนั้นเขาก็ตั้งใจใส่ ใส่แล้วเราผ่านไปแล้วเ ร, เราเดินผ่านไปแล้วไหว้าตามคั้นอีกไหว้าตามคั้นอีกเราดูดูภาพตรงนี้เขาใส่บายเราทุกวันเราก็สำรวจเราวังให้เหมาะสมกับทเราไปรับทยธรรมเข้ามามาแล้วก็มาทําให้เหมาะสมแท้จริงไปสังคโยอัจชมญาเนี่ยเราต้องท่องให้ได้มันเป็นการพิจารณามันเป็นบทพิจารณา ท่านบอกว่าถ้าเราไม่พิจารณาไม่พิจารณาปัจใจสี่เนี่ยถ้าว่าเราเป็นหนี้เราเป็นหนี้อีนอะบริโภคเราบริโภคโดยความเป็นหนี้เช่นอย่างเราจะเราจับกีวันปั๊บเนี่ยถ้าเราเคยทําแล้วมันจะชินเลยจะพิจารณาจะเห็นความจําเป็นว่ากีวันนี่เราผมทำไม อยู่กุติกุตัง่งพอเราขึ้นอยู่ภาพเดี๋ยวเราเห็นว่าเราขึ้นอยู่ทําไมมันจะบอกให้เราได้พิจารณาอาหารที่เราจะขบฉันเข้าปากก็เหมือนกันอพอเราฉันเราก็พิจารณาเราไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นให้เราจําหลักเอาไว้ปฏิสังขาโยนไปสังขาโยนมันมีทั้งบทพิจารณาจีวรบินฑบาตเสนาสนะและกีฬานภิษัสน ะ, ะนะสนะบทพิจารณาจีวร จีวรบินทบาต์กีฬาน้ำเพศรศและก็เสนาสนะมีไปสังขายโยอัจฉริยะกัเช่นเดียวกันอัจฉริยะหมายความว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราใช้สอยอะไรไปแล้วเราหากหากเราขาดการพิจารณาเราก็มาพิจารณาตามหลังอัจฉริยะอัจฉริยะนั่นก็พิจารณาจีวรพิจารณาบินทบาทพิจารณาเสนาสนะแล้วก็พิจารณากีฬานาเพศรศ สรุปแล้วคือปัจจัยสี่นั่นแหละท่านให้พิจารณาพวกเราจําได้อย่างนี้เราไปเอามาดูมาพิจารณาว่ายังไม่ได้เอามาเปิดดูามาเปิดว่าแล้วก็ท่องวันเดียวก็ได้ดอกประสังคโยจัญญาอันนี้เป็นบทพิจารณาปัจจัยสี่เพราะปัจจัยสี่นี้ถ้าเราอยู่ไปลอยๆแบบไม่ทําอะไรให้เกิดเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดคุณงามความดีแล้วมันทับถมเรา วันนี้กระทบวันนี้กระทมวันนี้กระทบวันนี้กระทบวันนี้กระทบวันนี้กระทบเลยหนักเลยงัวง Moż ัวเขหัวไม่ขึ้นเลยจำให้โย่ถ้าเราไม่พิจารณาท่านว่าเราเป็นหนี้อีนอกบริโภคทีนี้อาบัติเขต้องพยายามรักษาวินัยต้องพยายามรักษาถ้าเราต้องอาบัติเราต้องรีบแสดงถ้าเราต้องอาบัติเราต้องรีบแสดงถ้าเราต้องอาบัติแล้วเรายังบริโภคปัจจัยสี่ โอ้ oh, อันนี้ท่านปรับหนักมากเลยท่านว่าบริโภคแบบขโมยเถยะบริโภคบริโภคแบบขโมยเพระาะศาสนธรรมนี้จะถู ป, ปัจจัยทั้งสีน่นี้พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตไว้สำหรับผู้มีศีลเ พ, พื่อเพื่อที่จะบริโภคเพื่อใช้เพื่อตียสอยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราศึกษามาตรงนี้แล้วเราจะทําให้เรานี่ รู้สึกตัวตื่นมาตื่นตัวไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจไม่เอาเวลาเวลาไปไปเล่นไปฉลองอย่างอื่นเอามาท่องนูง้นเอามาท่องนี้เอามาอะไรกอะไรเพื่อเพื่อทําให้เกิดประโยชน์อืแต่ถ้าเราทําได้มีผลมีอนิสงส์งมากถ้าเราทําไม่ได้แล้วก็มีมีมีเวรมีกรรมติดตัวอีกได้เหมือนกันนะอืมบริโภคโดยที่เราไม่บริสุทธิ์จากบัดเนี่ย เรบริโภคโดยความเป็นขโมยสามีบริโภคธรรมทายาทบริโภคคือเราบริโภคแบบเป็นผู้สืบทอดธรรมบริโภคเพื่อศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อสืบทอดพระธรรมวินยัยท่าเรียกว่าธรรมทายาทบริโภคพวกเราเนี่เราจัดอยู่ในธรรมทายาทบริโภค หมายความว่าเราบริโภคเราพยายามทําให้ถูกพยายามทําให้ถูกเพื่อสืบทอดพระธรรมมาวินัยทำวินัยสืบทอดที่ไหนสืบทอดมาสู่ใจของเราเนี่ยฟังจากคนนั้นฟังจากคนนี้ดูจากตําราเล่มนั้นดูจากตําราเล่มนี้สืบทอดมาจุดประกายที่ใจของเราเนี่ยแหละให้ใจของเรามีศีลให้ใจของเรามีธรรมแบบนี้ไม่มีโทษ ก็เรายิ่งอยู่ไปวันคืนร่วงไปเท่าไรเท่าไรก็มีมิเตประโยชน์ความรู้คุณความดีวิเศษวิโสก็มีแต่เพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ <c oughs> <ๆ>้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้คือเรายังไม่ได้มักอยากเรายังไม่ได้ผลเรายังไม่ได้มีคุณธรรมเราต้องศึกษาเพื่อธรรมทายาตบริโภคเราเราต้องอยู่เพื่อบริโภคแบบธรรมทายาตบริโภคเราไม่บริโภคแบบอินทรบริโภคคือไม่พิจารณาปัจจัยสี่ บริโภคโดยความเป็นหนี้เป็นหนี้เขาเหมือนกับยืมเขามันยืมเขานอกจากนั้นแล้วก็คุณงามความดีที่จะทำประจําวันที่จะชดเชยเขาไม่มีจากนั้นแล้วก็ทยะบริโภคบริโภคแบบขโมยบริโภคแบบขโมยในที่นี้หมายความว่าเราเราต้องอับอายเราทุศีลแล้วผิดศีลข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเอพอเราผิดศีลแล้วเราไปบริโภค บริโภคคล้ายๆก็ว่าเราขโมยปัจจัยสี่ของผู้บริสุทธิ์จากอัตบัติในบริโภคเพราะปัจจัยสี่นี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้กับผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทายาทนี่เราเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ผู้ที่ได้มรุตธรรมเป็นพระอราหันต์ไปแล้วเนี่ยเป็นสามีบริโภคบริโภคโดยความเป็นนายฮะเวลาท่านฉันเนี่ยท่านพิจารณาก็ได้ไม่พิจารณาก็ได้ เพราะท่านเข้าถึงแก่นของธรรมแล้วกิเลสตัณหาสมะในหัวใจท่านละได้หมดแล้วแต่พิจารณาก็ได้ไม่พิจารณาก็ได้เหมือนกับคนที่เป็นนายบริโภคอาหารของตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครไม่ต้องไปอ่าไปลักไปขโมยใครสามีบริโภคสามีกิบริโภคบริโภคโดยความเป็นนายคือพระอาหารหันต์ ถ้ถึงขั้นนั้นแล้วพวกเราบริโภคได้เลยจะมาหยิบซ้ายก็ใส่เข้าไปก็ได้หยิบขวาใส่เข้าไปปานนั้นพระหลานท่านยังมีเบียบมีแบบมีฉบับของท่านเพราะคนเป็นแบบเป็นฉบับจริงๆกว่าจะสะสมสร้างเนื้อสร้างตัวได้ถึงขนาดนั้นท่านจะต้องสะสมมากๆสะสมอย่างจริงจังเก็บเล็กผสมน้อยคือเก็บเวลามีเวลาไม่ให้มันล่วงไ ป, ปเปล่าๆเก็บเล็กผสมน้อยเก็บวิชาเก็บความรู้ เก็บสมาธิเก็บปัญญาเก็บทิฏฐิต่างๆทั้งหลายพยายามฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลายัางไงทิฏฐิของเราจะบริสุทธิ์ว่าท่านจะสังสมอบรมได้ถึงขนาดเป็นนายเป็นสามีบริโภคเนีย่ยท่านทําจนอยู่ตัวจนคล่องตัวเสร็จแล้วก็บุคคลผู้เช่นนั้นส่วนมากจะเป็นผู้ผู้ที่เป็นตัวอย่างเราดูเราดูอะไรเราดูเป็นตัวอย่างได้ เพราะท่านถือเป็นตัวอย่างท่านทํามาจนเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างได้ น, นี่เรื่องปัจจัยสี่นะเรามาสรุปลงที่หลักอถ้าเราบริโภคปัจจัยสี่ไม่พิจรารณาเราบริโภคโดยความเป็นหนี้ถ้าเราต้องอับัตแล้วเราไม่แสดงอับบัตเราบริโภคเถออยะบริโภคบริโภคโดยความเป็นขโมยอื เราบริโภคแล้วเราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมทำข้อวัดปฏิบัติด้วยความอุตสาห์พยายามขยันมันเพียนให้มีคุณธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, น, น, นทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นธรรมทายาทบริโภคอเมื่อเราได้มักได้ผลถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราถึงจะเป็นสามีจิบริโภคบริโภคโดยความเป็นนายพิจารณาก็ได้ไม่พิจารณาก็ได้ไม่เป็นหนี้เป็นศีลเป็นอะไรใครทั้งนั้นแหละนี่ บุคคลผู้เช่นนี้เป็นผู้ถือว่าเป็นเจ้าของศาสนาเพราะศาสนารวมลงในหัวใจของท่านทั้งหมดแล้วอย่างพวกเราเนี่ยังเป็นผู้อาศัยศาสนายัางเป็นผู้อาศัยศาสนายังไม่เป็นยังไม่เป็นเจ้าของศาสนาเราพูดได้เฉยๆว่าเราเป็นเจ้าของศาสนาแต่โดยที่แท้จริงนี่มรรคผลนิพพานยังไม่ได้อยู่ในหัวใจของเราเรายังเลยยังไม่ได้เป็นเจ้าของศาสนา เป็นผู้รักษาศาสนาเป็นผู้ประพฤติศาสนาเป็นผู้รักษาศาสนาทั้งนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เราสำนึกได้เหมือนกันรู้สึกตัวได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะถ้าเราไม่สำนึกสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่จะทำให้เราลืมตัวเมื่อลืมตัวแล้วมันก็ไม่ทำอะไรลแล้วล่ะก่อนแล้วก็นกินทีแล้วก็นอนนั่นแหละที่สำคัญที่สุดก็คือหัดพิจารณา แผ่เมตตาและก็หัดอุทิศส่วนบุญทำไม่เป็นประจำเลยอืเราถือว่าเราไปทำคุณงามความดีเดินยงคลมก็ตานั่งภาวนาก็ตามอุทิศส่วนบุญไปอุทิศส่วนบุญไปไปทำนู้นทำนี่ไปทำข้อวัดไปทำอะไรหนักหนาสาหัสด้วยเรี่ยวแรงด้วยความเสียสละของเราเองอุทิศส่วนบุญเข้าไปคุณงามความดีที่พระเจ้าได้กระทำด้วยกิริยาทางกายด้วยกิริยาทางวาจา โดยกิจกรรทางใจมาตลอดเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เขาที่ให้แก่ ส, สัรพสัตต์ทั้งหลายทั้งปวงเจ้า ก, กรรมนายเวรเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ระบุเข้าไปเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งที่ล่วงรับไปแล้วะยังไม่ล่วงรับไปอุทิศไปเลยนี่คือจิตใจผู้ที่มองเป็นเป็นจิตใจที่รู้บุญรู้คุณไม่เสีย อันนี้เป็นหลักเป็นพื้นเป็นฐานสำหรับจิตใจเราเรายืนเป็นฐานที่สำหรับให้ใจเรายืนไม่งั้นใจมันไม่มีที่ยืนแล้วก็เป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับใจทําให้ใจเรามีอาภรณ์ประดับไม่เป็นใจที่เปลื่อยเปล่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีข้อไม่มีระเบียบเขาเรียกว่าไม่มีวัดนไม่มีข้อวัดคําว่าไม่มีข้อวัดเนี่ย วันๆเนี่ยมันจะไม่มีผลรายได้อะไรเลยลวันๆเนีเรานั่งเราเดินบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธจางนี้ไปกุฏิเราเราเดินบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ถือว่าเราไม่ขาดวัดเํานั่งตรงไหนแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็ยังถือว่าเราไม่ขาดวัดจะทํานู่นจะทํานี้จะทําอะไรก็ตามเราไม่ขาดระลึกรู้สึกตัวมีสติมีสั supreme, มปชัญญะกำกับถึงข้อปฏิบัติของเราตลอดก็ถือว่าเราไม่ขาดคอวัด ที่เราอุตส่าห์ต so ั so like ้งโอตั้งใจทำขอวัดต่างๆเราอุทิศส่วนบุญเข้าไปการอุทิศส่วนบุญน่ะมันเป็นเหตุให้ได้ให้ได้บุญนะอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งตั้งหงนะการอุทิศส่วนบุญไปนี่ทำให้เราได้บุญเพิ่มอีกจะเรียกว่าปฏิทานน้ไมบุญบุญบุญเร็จด้วยการให้ส่วนบุญแล้วก็ปฏานุโมธนาำไม่บุญเร็จด้วยการอนโมธนาส่วนบุญ เราเห็นคน น, คนั้นคนนั้นคนนั้นเขาทำดีอย่ังไงยังไงเรานึกอนุโมทนากับเขาจะออกปากก็ตามไม่ออกปากก็ตามนึกอนุโมทนาในใจอันนี้ก็เป็นเหตุได้ได้บุญเป็นเหตุให้ใจมันอ่อนเป็นเหตุให้ใจมันนอ้อมเป็นเหตุให้ได้บุญอันนี้อย่าลืมอันนี้ของง่ายๆของกล้วยๆอย่าลืมอุทิศส่วนบุญนี่ก็เป็นเหตุให้เราได้บุญเพิ่มไม่ใช่เรามีแค่นี้เร า, ามีบุญน้อยนิดเดียว เราอุทิศไปแล้วเราจะหมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเรามีห้าเราอุทิศไปเราได้เพิ่มมาอีกห้าเป็นสิบฐานที่เรายืมมีฐานที่เรายืนะมีห้าพอเราอุทิศส่วนบุญให้กับสบรรพสัตว์คนนั้นคนนี้ก็ไปแล้วกลายเป็นว่าเรามีฐานเพิ่มอีกห้าเป็นสิบจากการที่เราอุทิศส่วนบุญไปดูในหลักท่านพูดเอาไว้นะนะในก ร, รมบทสิบไปอ่านดู ในหลักในกรรมบทชสิบเนี่ยปติทานะไม่บุญบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญปัตานุโมทนาไมยบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญสิบอย่างสิบข้อนั่นแหะเราไปดูถ้าเราเข้าใจแล้วเราหาบุญไม่ยากเลยเราไปดูบุญกิริยาวัตสุบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบนั่นแหะบุญกิริยาวัตถุสิบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่กรรมบวบุญกิริยาวัตถุสิบน่ย ทานมัยศีลมัยภาวนาไม่ไวยวัจจะไม่ปัตตานโมสนามไมปฏิทานมัยธรรมเทศนามไมธรรมัสวรนามัยธรรมัสวรนามัยล้วนแต่เป็นเหตุและได้บุญเท่านั้นคำว่าไม่ไม่ไมไปแปลวา่าสำเร็จสำเร็จหรือได้ได้ได้ได มายะปแปลว่าได้หรือสาเร็จทานนไมบุญสาเร็จ ด, ด้วยการให้ทา น, านศีลไมบุญสาเร็จ ด, ด้วยการรักษาศีลภาวนาไมยบุญสาเร็จด้วยการภาวนาสาเร็จสาเร็จหรือได้ได้ได้ไดปฏิทานไมยบุญบุญสาเร็จ ด, ด้วยการให้ส่วนบุญปัตานมโมธนาไมยบุญสาเร็จ ด, ด้วยการอนโมธนาส่วนบุญ วิยาวัตรจไม่บุญสําเร็จด้วยการช่วยขวนขวายภารกิจของหมู่วิยาวัตรจไม่นะอไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้น้อยทําภารกิจให้กันถือว่าได้ได้บุญเราเป็นผู้น้อยเราไปช่วยทำภาระไดกัพืนช่วยเก็บผ้าช่วยตากผ้าช่วยซักช่วยอะไรเนี่ยช่วยเย็บช่วยอะไรช่วยทําภาร ะ, ระนู้นช่วยทาภาร ะ, ระนี้เป็นวิยาวัตรจไม่บุญสําเร็จด้วยการบุญสําเร็จด้วยการ ขวนขวายส่วนบุญคือช่วยนั่นแหละเอาเรี่ยวแรงช่วยเกิดบุญมันไม่มีอะไรที่ทจะประสศจากบุญนะถ้าเราระลึกได้เพราะมันมีหลักบอกอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นเป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดบุญท่านใช้คำว่าวัตถุแ ท, ท, ท้จริงก็คือกิริยาต่างๆที่เราลงมือทำนั่นแหละเป็นบุญกิริยาวัตถุ เป็นกิริยาที่จะพึงทําให้เกิดบุญมีบุญกิริยาวัตถุสามทานละไมศีละไมาภาวนาไมา่บุญกิริยาวัตถุสิบก็บวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีกหกเจ็ดบวกเข้าไปอีกไปดูในหลักมีอยู่หลักธรรมเราต้องดูเราเอาหนังสือนวากวาสมาดูเราจะเห็นทั้งส่วนวินัยเราเห็นทั้งส่วนธรรมธรรมะที่เราธรรมะที่มีอยู่ในนั้นเนี่ย เราสามารถเอามาใช้ได้เลยข อ, ขอนั้นขอนั้นขอนั้นขอนั้นตั้งแต่หมวดสองไปจนถึงหมวดเท่าไหร่ไปจนถึงหมวดสิบนั่นล่ะตั้งแต่หมวดสองไปจนถึงหมวดสิบในนวโกวานนนเนี่ยนะซึ่งเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีที่ท่านให้เอาเอามาดูพระมหาสมณะเจ้าท่านฉลาดท่านเลือกเรื่องเรือกเลืองเลือ ก, อ ก, อ ก, อกอให้มาเป็นภูมริรู้ภู ม, ภมิความรู้นักธรรมชั้นตรี ภูมิความรู้นักธรรมชั้นโทภูมิความรู้นักธรรมชั้นเอกแท้จริงภูมิความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเรียนรู้ไว้เพื่อเอามาเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นแหละไม่ใช่เราไปเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปสอบอย่างเดียวแต่ด้วยเหตุมีการเรียนมีการสอบจึงมีปริยัติธรรมปริยัติธรรมถ้าไม่มีการเรียนปริยัติธรรมก็มันก็ไม่ได้ทรงทรง ทรงวิชาความรู้ต่างๆเหล่านี้เอาไว้ทัศที่ท่าเรียกว่าคันทะคันทะอเล่าเรียนคัมภีร์ตามหลักของคมภีร์อแท้จริงถ้าให้รู้ให้เรียนรู้เพื่อจะเอามาปฏิบัตินั่นแหละแต่วัดป่าเราส่วนมากเราเรียนรู้เอามาเป็นข้อปฏิบัติเรียนรู้อะไรถือมาเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นวัดป่าเรานะอเมื่อได้ถ้าใครถ้าใคร ไปเรียนอะไรมาแล้วก็มาเล่าให้หมู่ฟังไปเรียนอะไรมาแล้วก็มาเล่าให้หมูฟังมันก็เป็นเหตุให้ให้ให้ความรู้พวกเราเข้าใจแตกฉานเพิ่มขึ้นถ้าใครมีนิสัยอย่างนี้สามารถอธิบายได้ขยายความได้หลายได้สามารถเทศบอกสอนขยายความอะไรจ ะ, ะไหลได้ไปดูไปให้ดูให้ศึกษาเข้าใจพระษาวกก็เหมือนกันไปดูไปดูอนุพุทธ อนุพุทธแปดสิบไปดูพระสาวกแปดสิบองค์เราเอามาดูมาดูเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ได้กติด้วยอย่างมากมายเยอะแย ะ, ยะได้ความรู้มากมายอนุพุทธแปดสิบอันนี้ก็มีเรียนนักนักธรรมชั้นโทเขามีเรียนนักธรรมชั้นตรีนี้เขาจะให้เรียนพุทธประวัติก็เรียนเรียน พ, พุทธประวัติโดยละเอียดก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่นักก็มีพุทธานุพุทธประวัติ พุทธานุพุทธประวัติอันนี้นักธรรมชั้นเอกมีทั้งพระพุทธมีทั้งประวัติพุทธเจ้ามีทั้งประวัติพระสาวกพุทธานุพุทธประวัติทีีอนุพุทธแปดสิบนี่เขาเรียนนักธรรมชั้นโทนี่เป็นหลักวิชาความรู้เท่า น, นั้นนี่เนี่ยหนังสือมีอยู่ในตู้เนี่ยดูมันจะมีหลายเล่มเนี่นะมันเป็นเล่มรวมวิชาพุทธประวัติวิชาธรรมะวิชาวินยัยและก็วิชาธรรมะอยู่ในนี้ แล้วก็ในนั้นก็จะมีวิชากระทูด้วยสําหรับดูเป็นคู่มือไปสอบได้เลยมันมีอยู่ในนี้มีอยู่เล่มเดียวจบเล่มเดียวเขารวบรวมมาดีมากเลยนะอยู่ในเล่มเดียวเมื่อก่อนนั้นเราดูหนังสือแยกแๆไปจัดกระจายอันนี้เขารวบรวมมาเป็นเล่มเดียวอยู่อยู่ในตู้นี่นะไม่ถ้าถ้าเผื่อมีใครสนใจเอาไปดูเยอะๆไม่พอเราจะไปหามาให้อีกก็ได้มันมีไม่กี่เล่มเองมีไม่กี่เล่ม อันนี้เป็นภูมิรู้เรารู้เพื่อปฏิบัติเรารู้เพื่อปฏิบัติเราไม่ได้รู้เพื่อเอาไปสอบหรือถ้าเรารู้มากๆเราคิดว่าเราไปสอบได้เราก็ไปสอบได้เลยเราไปเสียเวลาแค่ไม่กี่วันอะไปสอบเนี่ยนี่ก่อนจะออกพรรษาเนี่ยเขาก็สอบกั น, นสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาสอบในพรรษาไม่ต้องให้มีนวักะทั้งนวักะทั้ง ทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าเนี่ยเให้สอบในภรษาก่อนออกรรษาโดยเฉพาะนักทำชันช้นตรีนักทำชั้นโทถึงจะออกรรษาสอบนักทำชั้นเอกถึงจะออกภาษาสอ บ, อออสอบแต่นักทำชั้นตรีนี่เขให้สอบในรรษาก่อนจะออกรรษานี่ก็ให้สอบไม่งั้นคนมันเสียโอกาสเสียโอกาสคือออกไปแล้วไม่ได้สอบแล้วเมื่อก่อนนั้นให้ให้มีการสอบนวกักร เดี๋ยวนี้สอบเป็นภูมิรู้นักธรรมชั้นตรีเลยดูพิจารณาให้ดีใครต้องการจะอยู่ยาวนานไปเป็นเจ้า ว, วาดเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้มีตั้งแต่ชั้นโทชั้นเอกนะเป็นนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกธรรมดาธรรมดาเหมือนสมัยตะก่อนเขาไม่ให้แล้วต้องมีภูมิรู้ เดี๋ยวไอ้กลโกโกโซที่มันได้ภูมิรู้ภูมิมุ่งภูมินี้มาเป็นผู้ปกครองเราเนี่ยแย่นะอที่ย่อยหย่อนต่อการถือศีลต่อการปฏิบัติธรรมแต่เขามีภูมิรู้อเขาได้นักทำชั้นตีนักทำชั้นโทนักทำชั้นเอกความประพฤติของเขาเนี่ยอาจจะเลวเละเน่าเฟะก็ได้แต่ว่าเขามีภูมิรู้กฎหมายสงให้อํานาจเขาอย่างนั้นเขามาปกครองเราเนี่ยยิ่งแย่แล้วที่เนนี้ บางคนมีภูมิรู้แล้วไปสอบไปสอบเอาพทที่เอาไว้เนี่ยเราดูแล้วเราเราไม่ดูซ้ายเราไม่ดูขวามันก็ลำบากเหกันนะถ้าเราดูอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการเป็นการระมัดระวังเป็นการไม่ประมาทเป็นการไม่ประมาท เ, เมื่อเรามีภูมิรู้พอสมควรแล้ ว, ลวเราก็ไม่เราไม่สงสัยแล้วอืม หนักธรรมเราก็ไม่สงสัยแล้ะบาลีอัตทะบาลีอะไรต่างๆเราก็ไม่สงสัยแล้วเรามาตั้งใจเดินถึงกลมนั่งภาวนาเอาอย่างเดียวถือตามคติหลงตาเนี่ยโอ้ยเหี้ยมหลงตาท่านสอบได้เปริยสามท่านออกเลยท่านตั้งใจไว้ยังไงแล้วเอาไปเอาเป็นเอาตายออกไปก็เอาไปเอาเป็นเอาตายไหมในที่สุดท่านเป็นเสาคำกรรมฐานอยู่ทุกวันพูดถึงพูดถึงการเผยแผ่อะไรต่ออะไรเนี่ย ไม่มีใครมากเท่ากับท่านเนะี่ยทําประโยชน์ให้กับระาศาสนาไม่มีใครมากเท่ากับท่านทําให้กับระาศาสนาด้วยทําให้กับโลกด้วยที่ดูหาทองให้กับพลังหลวงตังต้งสิบสองตันกว่าอแล้วก็จากนั้นครับสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรตัวอะไรสารพัดคนมาขอไปตลอดระยะเวลาห้าสิบหกสิบปีเนี่ยหกสิบปีเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบปีเนี่ย สิพรรษากว่าลุงตาเจ็สิบกว่าพรรษาแล้วคิดดูทําประโยชน์มาเท่าไหร่แล้วะทำโดยเฉพาะส่วนตัวพระส่วนตัวของท่านทั้งกับเสร็จลุงตานี่ท่านเสร็จกิจตั้งแต่พรรษาที่สิบหกนะตั้งแต่พรรษาที่สิบหกท่านเสร็จกิจท่านจบนจบพรหมจรรย์ตั้งแต่วันพรรษาสิบห ถ้าใครเคยอ่านประวัติที่หยดน้าบนใบบัวจะรู้จะเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าประวัติของท่านอ่ะรวมไปถึงข้อปฏิปทารวมรวมถึงธรรมะของท่านนละเอียดนอกจากคนที่ปฏิเสธไม่ยอมศึกษาประวัติของท่านแล้วก็ตั้งใจจะปฏิเสธเพื่อเอาทิฐิมรณะไปชนท่านอย่างนั้นก็มีก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าใคร ไปศึกษาธรรมะของท่านไปศึกษาประวัติของท่านแล้วเนี่ยมันจะปักใจลงกับท่านเนี่ยอย่างพวกเราเราเนี่ยคําพูดคำเทศของท่านเนี่ยเกาะจิตใจมันเกาะเกาะเกาะเกาะเกาะเกาะเกะเปิดฟังกันไหนก็พอๆกันเปิดปั๊บใจมันเกาะเกาะเกาะเกาะเกาะอย่าลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเหมือนกันอืม ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เริ่อมใสศรัทธาเราก็ฟังเฉยๆเขาว่าก็ว่าเฉยๆเราฟังก็ฟังเฉย ๆ, ๆแต่เราถ้าเราทราบเนี่ยมันจะเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มใสศรัทธาท่านทําให้เราเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็สะท้อนมาที่เราทําให้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่า น, นตัวนี้สําคัญอยู่นะตัวนี้สําคัญอยู่เราศึกษาประวัติเพื่อที่จะเอาเหยื่ออย่าง บางวันว่างๆเราไปเลือกอา่านดู ป, ประวัติสาวกอยู่ในเล่มสองเนี่ยรวบรวมเขารวบรวมไว้สำหรับหลักสูตรนักธรรมเชนโทมันมีอยู่ในเล่มนั้นหรือบางทีอาจจะมีเป็นเล่มเป็นเอกเทศก็มีนะไม่วัดเราแต่มีไม่กี่เล่มเพราะหนังสือหลักธรรมะเราไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้หามาเยอะมีแต่หนังสือสเประทั่วไปเต็มไปหมดหนังสือหลักสูตรนักธรรมไม่ค่อยได้หามา เอามาดูมาอ่านดูเพื่อความเพิ่มใ ส, ส่ศรัทธาให้สมกับที่เราตั้งใจบวชแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนทําไงเราจะได้ยึดเราจะได้เกาะเป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งพอเรารู้แล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจทําอย่างจริงจังเราดูเถิดท่านในภาษาเนี่ท่านอธิฐานไม่สวมรองเท้าท่านอธิฐานอยู่โคนมาให้คิดดูที่แท้จริงหน้าฝนพระพุทธเจ้าท่านให้เข้าที่มุงที่บงัง ท่านให้ท่านให้อยู่รู้ข้อมูลได้แปดเดือนแปดเดือนฤดูหนาวฤ ด, ดูร้อนฤดูฝนท่านให้เข้าที่มุมที่บงังแต่อันนี้เพื่อนมาอทิตพาอธิษฐ า, า, านหน้าฝนเนี่ยอธิษฐานหน้าฝนเพราะอะไรเพราะพวกนี้พระใหม่บวชเข้าไปท่านก็พาธรรมออกพรรษาแล้วก็สึกไปหมดนะโยไม่รู้จะพาใครทำอะ่ะ มีแต่เวลาตอนเข้าพรรษาเลยพาทำพาอยู่รุกข ม, มูลพ่รุกข ม, มูลเราก็แนะนําเพิ่มเติมเอออยู่รุกข ม, มูลก็ได้แต่ถ้ามีอยู่ถ้าฝนตกเขาก็เข้าเข้าที่มุงที่บงังการอยู่อย่างนั้นก็เป็นการอยู่ถ้ำกลางถ้ำกลางสนามงานเหมือนั้นเถอะแต่ถ้าเราขึ้นไปอยู่กุฏิที่มืดมืดที่บงังบังที่อะไรท่านหน่อยเนี่ยอยู่สุขสบายเดีย๋ยวก็หลับคลอคลอคลอ เราอยู่เงี้ยเราอยู่ในกรดเนี่ยแล้วก็นั่งภาวนาหลับในกรดมันก็คงไม่สะดวกนั่งหลับอตื่นขึ้นมาก็นั่งต่อหรือมาอยู่หัวจงกรมเนี่ยตื่นขึ้นมาเดินบ้างนั่งบ้างเดินบ้างนั่งบ้างเป็นทำความเพียรเป็นการทำเป็นการทําความเพียรอย่างอุกฤริบเหมือนกันนะนี่สมาทานท่านหลวงรูขมูลหน้าฝนถ้าเราจะว่าผิดไหมก็ไม่ผิด เพราะอะไรเพราะเวลาฝนตกท่านท่านเข้าที่มงที่บางยกเว้นท่านมียกเว้นของท่านนี่นับวมาเยี่ยมเหมือนกันละรู้จักปรับมาใช้แต่ไม่สวมรองเท้าบางคนไม่สะดวกสบายเป็นไข้เป็นหนาวนี่เราก็สวมได้แม้แต่เรานี่ฝนตกดินชุ่มนี่เอิอดอยู่กลมเราก็ใส่ถ้าไม่ใส่มันมันเกินปกติไปร่างกายเราก็อาภาษได้แต่รองเท้า แล้วกอเส็จแล้วมันรูจ้จจเหยียบอะไรแหะสารพัดหอยเอวยมดเอวยอะไร ơi. เอวาาย่อใส่มันก็ดีแต่เราเดินในที่มุงที่มุงที่เรามุงทางยังกลมเราไม่ใส่เดินข้างนอกเราใสา่หลวก็ทีสําคัญต้องจุตงจดต้องจุดเกียงจุดเทียนถ้าใครจะเดินเนี่ยต้องจุดอย่างของเราตรงนี้เนี่ยหอยเยอะจริงๆหอยโอ้ย เดินไปเดินไปกรอบเห ย, ยียบหอยแตกโอ้ใจมันเขาแอ บ, บน่าแล้วหอยทั้งตัวแตกเหยียบแตกเคยนะ่ะเคยเหยียบระยะหลังเราเดินเราต้องจุดจุดไฟเดินและอีกอย่างตะเข็บตะขาบตะขาบมันออกมาเพี้ยนพานธุ์เราจุดไฟไม่เป็นดอกเทียนเราพอไม่พอก็หามาจนพอ จุดเดินใช้ความอุตสาหพยายามทำความภาคความเพียรเพราะอันนี้เป็นงานของเราแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วก็ผลรายได้เป็นของเราไม่เป็นของใครทั้งนั้นเขาทำบุญให้ทานมาเขาก็หวังคุณงามความดีจากที่เราสร้างความดีให้กับตัวเรานี่แหละเขาสะท้อนพลอยสะท้อนไปที่เขาด้วย ดูไปตรงภาพที่เขา ย, ยกอาหารจบใส่หัวนั่นนะใส่โอ้ไม่รู้เขาไม่รู้เขาะไม่รู้เขาพิมพันจะเอาอะไรบ้างกัไม่รู้เราไม่รู้กับเขาอะแล้วในสูดไม่ได้อะไรสักอย่างเราไม่มีอะไรได้ตอบสนองเขาสักอย่างโอ้เป็นหนี่มากมายมหาศาลโบราณท่านถึงว่าพวกนี้แหละพวกที่ประมาทนี่แหละตายไปแล้วไปเกิดเป็นควาย เกิเป็นควายเป็นครัวให้ให้เขาใช้แรงงานทําไมล่ะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความดีพอที่จะทดแทนอเจะตุปัจจัยเขาก็เลยเอาแรงไปใช้เกิดเป็นควายเกิดเป็นวัวโบราณว่าเน้ยอืมโอ้โบราณว่าก็คือเนี้ยแหละเป็นควายเขาไตนาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นมาเป็นในศัสตร์ที่เขาใช้แรงเนี้ย นี่เราก็ฟังไว้เป็นข้อเป็นข้ออุ ป, ปมาเป็นข้อเปรียบเทียบพวกเรามาอยู่วัดทั้งหมดทั้งแม่ชีแม่ขาวเราก็ฟังอุ ป, ปมาที่คุยกับพระเล่ากับพระนี่ก็แล้วก็เอาไปถือเราก็เล่ากันเราก็อยู่ศึกษาเราเราก็ปฏิบัติเล่าต้งคุณต่างตัง้งอกตัง้ตงใจศึกษาปฏิบัติเข้าพวกเรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้เพื่อประโยชน์แก่กันและกัน วัดเราตรงนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับหมู่ที่มาใช้มาสอยใคยมาได้อยู่ได้ใช้ได้สอยเพื่อให้ได้ประโยชน์แห่งตนแห่งตนแก่ตนแก่ตนแล้วก็ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์ละผู้ที่เขาสร้างวัดถือว่าสำเร็จประโยชน์ละออที่สำคัญก็อย่าลืมอุทิดส่วนบุญให้กับผู้ตั้งใจสร้างวัดด้วย คุณาวราสร้างวัดอุทิศให้กับสา ม, มีคุณสุวิทย์วังหลีนี่ครบรอบวันที่สิบเก้าเดือนนี้ยเดือนสิงหาเนี่ยมันต้องได้ไปกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยคุณสุวิทย์วังหลีที่เครื่องบินพาตกตา ย, ยานะถาวราก็สร้างวานนัดนี้สร้างวัดอุทิศส่วนบุญให้สา ม, มีพวกเรามาได้รับความสะดวกสบายเราอุทิศส่วนบุญไป ที่ส่วนบุญไปจากนักกับคนของเราญาติของเราพี่น้องของเราทิศไปเที่ยวบุเทียวดาโรกวิญญาณทั้งหลายตกค้างอยู่ทิศส่วนบุญให้ไปหลวบุเจาะจงให้เขาซะหน่อยหนึ่งอย่างคุณเทาลาเขาซื้อที่ถอยลงตาแล้วเขายังตามมาบำรุงดูแลวัดนี่มาโดยตลอดสร้างนน้นสั่งนี้ให้โซงลชลากุติกงขุตังสร้าง ค่าอาหารก็ส่งมาเป็นประจำส่งมาเป็นประจำเดือนละหมื่นแปดค่าอาหารก็ส่งมาเดือนละหมื่นแปดทำมาตลอดนะมันทำไม่ปล่อยทามาตลอดเราก็อุทิศ ส, ส่วนบุญให้เขาอุทิศ ส, ส่วนบุญให้สามีเขาด้วยสมเจตนาที่เขตั้งใจอุทิศตั้งใจสร้างตั้งใจอุทิศ ไม่เสียหายดอกให้เราคิดได้ว่าเราอุทธส่วนบุญไปเนี่ยเราได้เพิ่มบุญเราได้บุญเพิ่มอุทธส่วนบุญไปเราได้บุญเพิ่มพวกเราตั้งออกตั้งใจนะในการทุกคนอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนฮห้ทำบัตรทำบัดส่วนบุญทำบัดส่วนบุญแล้วก็เลิกแล้ววันนี้